ใครจะถามคําถามถามที่นี่โอ้มารุ่นนี้จะถามอะไรไบายามุกไบยามุกมีหกอย่างคืออะไรม้างอ่ะหนึ่งดื่มน 2, ้ําเมาสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูการละเล่นสี่เล่นการพนันห้าคบคนเชื่อเป็นมิตรหเกียรติกานการทํางานอเอามาดูเที่ยวกูเดิมดูการเล่นหน่อยดูการเล่นดูการเล่ น, ด, ล น, ด, ลนดูการเล่นนี่นะ ขับร้องที JI, 1991, ่ไหนไปที媽媽もも่นั hey, ่นรํำที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นะเสภาที่ไหนไปที่นั่นเนี่ยไอ้พวกมโหระศพที่ไหนไปที่นั่นไปที่นั่นไปที่นั่นเนี่ยบัตรคอนเสิร์ตเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไม่มีตังค์มันก็ขโมยไม่ไม่ไม่ได้กงินมันก็โกงก็ไปซื้อ เที่ยวดูการละเล่นมีตัวตามวัตถุที่ไปดูหกหนึ่งรำที่ไหนไปที่นั่นสองขับร้องที่ไหนไปที่นั่นสามดิดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นสี่เสภาที่ไหนไปที่นั่นห้าเพลงที่ไหนไปที่นั่นหกเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นนั่นน่ะมันอยู่ในนี้ไหมล่ะร้องเพลงอ่ะอ้ามันเถิดเทิงไหมล่ะถ้ามันเถิดเทิงเอ้ยถ้ามันขับร้องเอ้ย จิตดูเบื้องหลังดูเบื้องหลังตัวที่จะไปเสพตัวที่เถิดเทิงตัวที่ไปเสพตัวมโหรศพมันเป็นกรรมมวิตกไงล่ะอ่าอ่ากรรมวิตกก็เป็นอบายเยมุกในส่วนนี้เพียงแต่มันละเอียดก็ไปเองเราพูดถึงอบา ย, ยมุกในส่วนนี้เป็นอบา ย, ยมุกสำหรับพวกที่ถือศีลแปดนะเออไม่เป็นไรถ้าไม่เถิดเทิง ข่าวสารเถิดเทิงเะละ่คือบางครั้งคำว่าอบายามุกปากทางแห่งความเสื่อมไงมันเหมือนคำคาว่านิวอนนิวอนเราได้ยินว่าห้าใช่ไหมแต่แท้จริงนิวนมีเยอะมากอบายามุกก็จริงๆพวกเราเป็นคนปฏิบัติท่องไว้นะจะได้ไปสอนลูกสอนหลานแต่ถ้าไม่ได้ชั้นของสติคนที่เสพอยู่ไม่ได้นะ ไอ้พวกเสพอยู่เนี่ยอบายามุกอย่างเช่นสุราเงี้ยดื่มน้ำเมามีโทษดกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่ อ, อการทะเลาะวิวาทสามเกิดโรคสี่ต้องตีเตียนห้าไม่รู้จากไงหกทนกำลังบัญญาจริงป่าจริงลังนั้นนะเที่ยวกลางคืนนี่เดี๋ยวนี้เทรนใหม่พ่อแม่กลัวลูกจะเอาไม่อยู่เอาลูกไม่อยู่ขับรถไปจอดหน้าผับเลยนอนรอในรถ ก็ไม่รู้แหละมันอยู่ในนั้นช่างมันมันออกมาเมื่อใดก็เจอค่าจับลากขึ้นรถแล้วกลับบ้านน่ะได้อยู่ด้วยกันเออมันก็ยังดูปลอดภัยใช่ไหมเสียหายเราไม่กล้าที่จะพูดตรงๆในการสอนเขาเรื่องไบายามุขแต่ที่จริงจิตเขาที่เกลือกลัวอยู่กับไบายามุขบ่อยๆนี่ก็ไม่สามารถที่ตั้งอยู่กับกุศลได้แล้วในที่สุดมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ เคียเลเที่ยวกลางคืนนะมีโทษโอกอมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเสียอ่ะฮะห้ยเที่ยวกลางคืนเสียทรัพย์ด้วยเาดื่มน้ำมอนะ่าเสียทรัพย์โดยตรงหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวจริงเปะะ่าล่ะหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวสองชื่อว่าไม่รักษาลูปเมียถ้าเป็นผู้หญิงเที่ยวก็ชื่อว่าไม่รักษาสามี <laughs> ชื่อว่าไม่รักษารูปมีษสามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติสี่เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายห้ามักจะถูกใส่ความหกจะได้รับความลําบากมากไอ้พวกเที่ยวกลางคืนเนี่ยพระพเจ้ารณ์ฟังอย่างนี้นะพระพิจารป์ยังไงสุดยอดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นรูปพระพเจ้ารณ์นะมไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมีพระพุทธเจ้าพอแล้วอย่างนยสอนหมดทุกอย่างมีคนบางคนก็ถามว่า ศา ส, สนาพุทธสอนว่าตายแล้วเกิดเหรอเราเข้ามาสอนไห ม, ไมตอบเร็วไปมัง้งศาสนาพุทธสอนแล้วตายแล้วเกิดไห ม, มเออน่่น่ า, น, า, น, านี่มันสิทธ์มีครูนะเนี่ยศา ส, สนาพุทธสอนว่าตายแล้ว <S <S เกิดก็มีไม่เกิดก็มี ใช่ไหออแต่ภาพรวมของคนในโลกนี้จะมองว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันจึงมีคำถามคำถามหนึ่งให้พวกเราต้องตอบกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์มันน้อยเดี๋ยวนี้มนุษย์เยอะเยอะมากแล้วม า, มาจากไหนนักหนาที่มาเกิดเนี่ยฮะมา มาจากไหนนักหนาที่มาเกิดเนี่ยฝั่งนี้มาจากไหนกันอะเออโอ้มาจากไหนกันนักหนาเนี่ยที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยโอโโ้เห็ Piet. นไหมจะมีคนตั้งป <is they S 1> ัญหาเรื่องนี้แล้วถามกันเยอะแล้วก็ใช้คาพูดที่ไปกูเข็นคนอื่นนะแต่ว่าพวกเราไม่ได้หรอกพวกเรารู้พวกปฏิบัติอย่างเงี้ยรู้แต่ชาวบ้านทั่วไปไม่รู้นะ ไม่สามารถนะเจอก็ถามอย่างนี้ึ้นมาจนเลยนะเออจนเลยนะเพราะฉะนั้นมาอย่างไหนเพราะการเวียนว่ายแต่เกิดมันมีกำเนิดเท่าไหร่เมื่อกี้ตอนแผ่เมตตาจำได้ปะมีกำเนิดเท่าไหร่กำเนิดมีอยู่สี่กำเนิดหนึ่งเกิดในคันมีอะไรมั่งมีสัตว์มนุษย์ และสัตว์เดร Trump, ัจฉานบางจําพวกที่เกิดในครันคือหมายความว่ามีการตั้งเป็นตัวอ่อนในท้องอ่ะเกิดในครันและเกิดในไข่ก็คือเทวดามีไหมว่าตั้งไข่อ่ะฮะเมื่อกี้ใครมาจากเทวดาตอบเเฮ้เมื่อกี้พูดหยกหยกว่มาจากเทวดาตอบนะมีไหม อา้าวพวกที่ตั้งใครมีไหมพวกคือสัตว์เดราชฉานพวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดต่อไปสังเสทชะเกิดในเท่าใครหมายถึงพวกไหนนอนเยอะมากนอนบางชนิดและพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีเลือดเป็นสีเลือด เ, <c oughs> เลือดสีขาว พวกนี้ส่วนให ญ, ญ่จะมีเลือดเป็นสีขาวเป็นชีวิตทั้งนั้นนะต่อไปโอปาติกะผุดเกิ ด, ด, กดหรือเกิดผุดผุดเกิ ด, ด, กดหรือเกิดผุดขึ้นผุดเกิดเอาผุดเกิดก็ผุดเกิดคือพวกไหน มีะวะคือพวกนี้เป็นผุดเกิดผุดขึ้นในพื่นมาเพาไงสมมติว่าเราอยากจะเป็นประหลัดอำเภอหญิง <c oughs> ถ้าเราอยู่ป .4 เนี่ย <c oughs> เราจะต้องเรียนจบป .6 <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> จากนั้นเราต้องเรียนจบม .3 <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต่อไปเราต้องเรียนจบ มหกต่อไปเราต้องเรียนจบปริญญาตรีและเลือกสาขาวิชาที่จะต้องเป็นรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์หลังจากนั้นเราก็ไปสอบข้าวเป็นประหลัดอำเภอได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่ปสี 4, เนี่ยแล้วอยู่ๆไปเป็นประหลัดอำเภอเลยได้ปะไม่ได้ไไดเพราะเราไม่ใช่โอปาติกะ โอปาธิกะหมายความว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวจะให้ไปเกิดเป็นอะไรเกิดเลยไม่ต้องไปไต่มาจากตัวอ่อนไม่ต้องไปไต่มาจากจางเป็นเทวดาเนี่ยไม่ต้องไปไต่มาจากเทวดาทารกไม่ต้องไปไต่มาจากเทวดาวัยรุ่นถ้าจะเกิดเป็นเทพประบุตรมีคุณสมบัติให้เกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยเป็นเลย ในนี้มีปัญหาข้อหนึ่งคือพวกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้เด็ดดของเรา น, นี่ดีมากนะมีผู้ชายเยอะบางที่ผู้ชายมีสองคนนอกนั้นผู้หญงิงหมดและผู้หญิงมันก็เลยมีคำถามไงผู้หญิงก็มีคำถามว่าทำไมเราปฏิบัติแทบตายรักษาศีนใจบาทนั่งสมาธิเดินจงกรมสุดท้ายถ้าไม่ได้นิพพานเราต้องไปเป็นนางคว้าของเทวดาอีกแล้ว ไม่อยากได้อะเทวดาตนหนึ่งมีนางอับสรที่เป็นบริวารห้าร้อยพันหนึ่งแล้วเราเป็นผู้หญิงสงสัยเราจะต้องไปเป็นเทวดาเป็นนางอับสรของใครอีกก็ไม่รู้เนาะเบื่อเคยเล่าไอ้ความเรื่องนางปฏิปูชิกาใช่ั้มเอออืม เล่าฟังได้ไหมมาเกิดเป็นผู้หญิงก็ตั้งความปรารถนาเกิดเป็นอะไรจะต้องตั้งความปรารถนาเด้ถ้าจะไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นในหลักของการเวียนไว่ายตายเกิดมันจึงเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนกําเนิดเข้าใจไหมเปลี่ยนกําเนิดมันใช้ร่วมกันได้ต่างอยู่ที่มีโดยมีกรรมเป็นเชื้อกรรมจึงเป็นลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะ มาชาตินี้มาเป็นผู้หญิงมอเกิดอยู่ในเพศของผู้หญิงเพราะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นชนกกรรมเมื่อสัปดาห์ที่สามที่แม่ตั้งครรภตอนแรกสัปดาห์ที่หนึ่งยังไม่เป็นจินสุภาสัปดาห์ที่สองก็ยังไม่เป็นจินสุภามีแต่ท่าสีของพ่อและแม่พอมาสัปดาห์ที่สามนระยะคันที่ชื่อว่าเปสิตอนนั้นมีจิตวิญญาณของจินสุภาเนี่ย แต่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อว่าจินสุภาลงปฏิสนธิตอนนั้นชีวิตก็ปรากฏและปฏิสนธิวิญญาณตัว น, นั้นปฏิสนธิจิตตัวนั้นคือจินสุภาที่แท้จริงไม่ได้มาเฉยๆพกพาคุณสมบัติมาด้วยมันจึงร่วมกันลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าชนกกรรมเนี่ยร่วมกับธาตุสีของพ่อของแม่แต่งออกมาเป็นเพศเข้าใจบ อ, อ ลักษณะเฉพาะที่เป็นกรรมติดอยู่ที่จิตปฏิชนที่อันนั้นร่วมกับธาตุทั้งสี่ของพ่อของแม่แต่งออกมาเลยเป็นเพศเพราะอาจารย์จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงขึ้นอยู่ที่กรรมด้วยอืมลักษณะเฉพาะนะเข้าใจกับว่าลักษณะเฉพาะว่าทีนี้ลักษณะเฉพาะแต่แล้วพอเรมานี่เกิดมาชาตินี้อีกโอ้โหทําแต่ความดีหรือทําแต่ความไม่ดีจ้ะฮะ <c oughs> ขึ้นอยู่ที่จิตนี้ว่าพื้นเดิมของจิตสะสมอะไรห่อนแห้งห่อนแห้งของจิตที่ซึมซับอยู่ในจิตดวงนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดเป็นลักษณะเฉพาะเป็นภาค พ, พื้นของจิตดวงนี้และเป็นภาค พ, พื้นแบบไหนเป็นลักษณะเฉพาะแบบไหนและเมื่อกายแตกจิตนี้ก็ไปตามคุณสมบัติเฉพาะของมันอย่างนั้นเข้าใจป่า จะไปเป็นเท พ, พระบุตรก็ได้จะไปเป็นเทพธิดาก็ได้จะไปเป็นนรกก็ได้จะไปเป็นเดรัชานก็ได้และเดรัฉานแบบไหนก็ไม่รู้ก็ได้หมดหมดแมงยุงก็ได้เออขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะคำว่าลักษณะเฉพาะเข้าใจไหมเออเหมือนกับก้อนหินที่เราอยู่บนภูเขาแล้วเรากลิ้งก้อนหินลงมาสี่ห้าก้อนกลิ้งมาแล้วมันไปคนละทิศละทาง จะด้วยเหตุและปัจจัยอย่างอื่นก็ตามแต่ที่มันไปคนละทิศทางมันมีลักษณะเฉพาะของก้อนหินแต่ละก้อนอยู่บางก้อนมันเป็นวงรีบางก้อนมันเป็นสามเหลี่ยมบางก้อนมันเป็นตะปุ่มตะปัําบางก้อนมันเป็นกลมใช่ไหมทิศทางในการกลิ้งลงไปมันเลยไม่เหมือนกันนี่ลักษณะเฉพาะกรรมจึงเป็นลักษณะเฉพาะของจิตวิ ญ, ญญาณมาจากไหนมาจากที่เราทานี่เล ที่เราทำนี่และมันสะสมไว้สะสมไว้สะสมไ ว, สสมว้จนเป็นภาพพื้นเดิมของจิตเมื่อกายนี้แต่กายนี้ตั้งอยู่แป๊บเดียวไม่ได้แช่งรอกอีกไม่นาน <c oughs> จริงไหมจริงมันไม่นานเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเรายังไม่แก่อย่าไปเข้าใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังสาวไม่จริงมันไม่นานเพราะมันเป็นของไม่จริงไงมันตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวพอแตกปั๊บแต่จิตเนี่ยมันเดินทางต่อไป การเดินทางของจิตมันจึงมีพกพาลักษณะเฉพาะที่ว่านี่เพราะฉะนั้นเป็นสุนัขเป็นสุนัขนะเอาอย่าว่าแต่ก่อนนั้นเป็นคนเอาดูนะเป็นคนพอเป็นคนเสร็จแล้วก็คิดจะฆ่าลูกตัวเองแต่ไม่ได้ฆ่าทิ้งลูกตัวเองทิ้งลูกตัวเองแล้วก็กลับมาแล้วก็ คนเขาช่วยในขณะที่อดอยากยหิวโหยอยู่ให้กินอาหารพอกินอาหารเสร็จระหว่างกินอาหารก็นอนดูห ม, มาตัวหนึ่งที่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้สมมติว่าโยมเป็นคนให้อาหารและเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนะแล้วก็นอนกินไปด้วยนอนดูหมาตัวนั้นไปด้วยกาาเกิดการอิจฉาหมาเกิดการอิจฉาหมาเพราะอิจฉามานะ่ะเกิดอะไรขึ้น ยังไม่ตา ย, ตายอฮะไม่ใช่เกิดการอิจฉาหมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะยังไม่ตายจ้ะเดี๋ยวใจเ็นๆพอจิตไปเกิดอิจฉาหมาว่าอะไรเอาหมามาเปรียบกับตัวว่าโอ้โหหมาตัวนี้มันดีเหลือเกินโชคดีเหลือเกินเกิดมาดูที่กินอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้น จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่ทําอาหารเขาทาอาหารขึ้นมาเพื่อที่จะถวายพระปัจเจกับพรุทธเจ้าตอนนั้นว่างจากพระพุทธเจ้านะทีนี้อิจฉาแล้วก็นอนไปแล้วกเกิดอ า, อาหารไม่ย่อยพราะอาหารไม่ย่อยตายจิต ด, ดวงสุดท้ายก่อนจะตายมันเลยน่วงเอา เอาอากุศนและจิตที่เป็นมโนกรรมไคว่อากูศนที่เกิดขึ้นจากการที่มันไปหน่วงนึกเรื่องความดีของหมามากกว่าของตัวนั่นแหละพอตายปุ๊บแม่หมาตัวเมียมันก็เลยไปเกิดท้องหมาพอไปเกิดจนท้องหมาสเสร็จแล้วพอเกิดจากหมาแลวที่เป็นหมาเลยวนี่ยเจ้าของหมาตัวนี้ เลี้ยงมันอย่างดีมันเป็นหมาฉลาดและเจ้าของหมานี้ศรัทธาในาพระปัิเจ้าผู้ตเจ้าเจ้าขึ้นมาพระมาพระปฏิเจ้ไอ้นี่ก็ไปตามพระปฏิเจ้าผู้เจ้ามารับบาตทุกวันไปตามมารับบาตทุกวันจนหมาตัวนี้มันเริ่มโตมันก็เดินตามเจ้านายไปด้วยพอเดินตามมันสังเกตเจ้านายมันน่ะว่าทํายังไงมั่งเช่นว่าถือไม้ไปนอันนึง เดินก็ไปข้างทางนี่จะเคาะเคาะเคาะเคาะเคาะเคาะเคาะเพื่อไล่สัตว์ต่างๆที่อยู่ข้างทางให้หนีหนีหนีหนีเพื่อที่จะให้พระปัจิเกพุทธเจ้าเดินมาอย่างปลอดภัยทุกวันทำอย่างนี้พอไปถึงปั๊บก็นิมนต์ว่าท่านพระคุณเจ้าอาหารพร้อมแล้วขอรับพระปิจิเกพุทธเจ้าก็เดินลงมาแล้วก็เดินตามไปทุกวันทุกวันเป็นอย่างนั้นจนในที่สุดก็ เห็นว่าหมาตัวนี้มันฉลาดก็บอกกับหมาว่า hey เฮ้ยอบอกกับบอกกับพระบัจจิกาพุทธเจ้าว่า <laughs> บอกกับพระเจพเจ้าว่าพระคุณเจ้าขอรับถ้าวันไหนที่กระผมไม่สามารถนํามานิมนต์ได้กระผมจะให้สุนัตตัวนี้มาแทน <laughs> พระปัจจิกาพุทธเจ้าว่า ai, ได้ได้ก็ <laughs> ok ให้หมาไปแทนหมานี่มันไปทุกวันอะแต่ธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่ามุทุชาติกาแปลว่า แปลว่าไงพวกเก่งๆนักหนาไม่ตอบว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่มีชาติตรงชาติตรงหมายความว่าอะไรไม่ซับซ้อนมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนมนุษย์ปากยางใจายางเออ ย, ออ <c oughs> ยกย่องเดรัจฉานได้วลวเนี่ย เขาเรียกอมุถุชาติกาเป็นสัตวที่มีชาติตรงเพราะนั้นหมาตัวนี้เวลาไปตามพระพัจจเจ้าเนี่ยวิ่งโ how ไปข้างทางเหมือนกับเจ้าของเอาไม้เคาะไปถึงพระบัจจเจ้าก็ลยลงมาพอลงมาเสร็จมันก็หันหน้าไปตามทางที่จะกลับบ้านของเจ้านายพระบัจรจเจ้าเคยว่าหมาตัวนี้มันฉลาดก็ลองแกล้งดูลองแกล้งไปทางอื่นมันวิ่งไปดักหน้าพระบัจจเจ้าพยายามจะเดินไปทางอื่นมันก็วิ่งไปดักหน้า พระบาเจกบุญเจ้าแกจะเดินไม่ทักเงินมันก็เลยคาบชายจีวรเลยแล้วลากลากลากลาก <c oughs> ลากลากให้ไปตามทางที่มันกําหนดพระบาเจกบุญเจ้าแกรู้วโอ้ห oh, มาตัวนี้จริงๆของจริงนะมันรู้จริงๆแล้วพระบาเจกบระเจ้าก็บอกว่าเออไปเถอะไปน้าไปน้าไปมันก็นําทางพระบุญเจ้าก็เดินระยะห่าซ้ายห่าขวาห่าซ้ายห่าวขวาเดินไม่ตรงทางนะเพื่อต้องการไล่สัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่อาจจะมีอยู่ข้างทาง ทำอย่างนี้ทุกวันพระประเจ้าเจ้ากลับไปถึงฉันเก้าเสร็จในระหว่างที่นั่งฉันอยู่ก็ปั้นปั้นก้ามาตู้ปะย่านอร่อยอร่อยก็ให้มันกินด้วยแล้วก็บอกกับเจ้าของหมาบอกว่าต่อไปโยมไม่ต้องไปก็ได้นะหมาตัวนี้มันรู้เรื่องมันไปได้ในแต่มะเวลาเลยทุกวันพอเช้าขึ้นมาพอไอ้เจ้าของบอกว่าเออเอ็งไปตามหลวงพ่อมาดิเสร็จแล้ว วิ่ง ป, ป, ปุ๊บปุ๊บไปถึงหอาุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเพเจ้าก็ลงมาเดินตามมันมาทั้งเนี้จนวันหนึ่งพระเปโตรเจกับพระเจ้าได้รับการถวายผ้ามาผืนหนึ่งอย่างดีและต้องการนําไปตัดเย็บจีวรการตัดเย็บจีวรก็ต้องกลับไปเย็บที่ภูเขาคันธมาศ ต, ต้องมีพระร่วมกันช่วยเย็บจีวรเพื่อให้เกิด อ, อานิสง<อ>์เออเมื่อกี้เราปพูดเรื่องอะไรเนี่ยมา ป, ปฏิกะยะเออจากจาการแจกข้าแล้ว เสร็จแล้วอสุนัขตัวเนี้พระปฏิเจกิญเห็นพระปฏิเจ ก, กิญพรเจ้าไปลาไปลาเจ้าหน่ายมันบอกว่าอัตรมาจะต้องมีความจําเป็นเดินทางไปเขาคันธมาศเพื่อไปตัดเย็บจีวรแล้วก็ไปอมปึงเป็นรูปหัวมันนะเอ้ยสมมติมันเชื่อด่างนะเองก็ด้วยนะเดี๋ยวข้าไปก่อนมีวาสนาเดี๋ยวก็จะเจอกันใหม่ร้านทองตรงเนี้ยโอ้ยมันเศร้ามากมันเศร้าแล้วพระปฏิเจร ก, กับพระเจ้าเริ่มเดินทางออกไปนะ มันห่าหอนยืนมองพร ะ, ระเจ้าขุนเจ้าแบบเหือดแห้งบีบคั้นหัวใจพอพระพระเจ้าขเจ้ารับจากสายตามันกระอักออกมาเป็นเลือดเล้กตายความผูกพันเนี่ยเขาเรียกว่ามุทุชาติกาพอมันตายปั๊บไปเกิดทันทีเลยเป็นเทพประบุชื่อโคสกะเทพประบุเสียงที่พูดแบบกระซิบกระซิบดังไปสิบหกยอดในเทวนคร และเสียงที่พูดปกตินี่ดังไปทั่วเลยทั่วนครเทวนครเรียกว่าสักกลังเทวเทวนครังทั่วเทวนครทั้งสิ้ น, นเสียงที่พูดตามปกตินี่ไม่ต้องนับว่าเสียงที่ตะโกนนะเนี่ยเป็นหมาอยู่ดีๆไปเกิดเป็นเทพประบุตก็เป็นเทพประบุหล่อเสียงเพราะใสเรียกว่าโคสกะเทพประบุหลังจากนั้น เป็นได้อยู่เจ็ดวันตายเป็นเทวดาเจ็ดวันเป็นเทวดาอยู่เจ็ดวันตายทำไมมันเร็วจังฮะเพราะเทวดาตายด้วยสาเหตุกิระการฮะเอ๊ะ ฟังดูพวกนี้ไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าไม่มีใครอยากเป็นเทวดาทักคนหนึ่งเทวดาหนึ่งบทบุญสองบดอายุสามฮะบทบุหบดอายุอดอาหารอะไรอีกอะจะไม่มากเก่งว่ะอกรรเรีบกรรเริบกรรเรบคือมีความโกรธเกิดขึ้น แต่โคสกาเทพบตุตัวนี้ตายด้วยอดอาหารเพราะอะไรฮะเพราะอะไรที่ฟงไว้เราจะได้เป็นความรู้เวลาไปเป็นเทวดาแล้วจะไม่เสียท่าพลาดท่าเสียเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่จะมาเป็นเทวดานั้นอดอยากสองชาติชาติแรกเป็นนายโกตุหาริก โกตุฮัลิโกตุฮลิเนะเกิดอุท ก, กภัยเกิดวาตภัยเกิดฉาตภัยเกิดอหิวาต้าต อ, าตองหนีอดอยากมากแล้วมาเกิดเป็นหมาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีตัณหาในรถไปตัณหาในอาหารเป็นปกติของชาติกำเนิดอยู่แล้วทั้นสองแรงบวกเนี่ยพอตายไปว่าไปเกิดเป็นเทวดาปั๊บมันได้อะไร อาหารทิพติ่มทิพตใช่ไห ม, อมพอตายไปปับ๊บมันมีความสุขอย่างอื่นที่เป็นทิพนะพอได้ความสุขอย่างอื่นที่เป็นทิพมันไม่หิวเพราะนั้นเทวดาจะต้องนึกถึงอาหารอยู่บ่อยๆพอนึกถึงอาหารเช่นว่านึกถึงพิซซ่าอิ่มพิซซ่านึกถึง <c oughs> นึกถึงไก่ย่างห้าดาวก็อิ่มไก่ย่างห้าดาวอย่างเงี้อยอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่ารู้จักประมาณเนี้ย อันนี้ก็นึกถึงอาหารมันก็อิ่มอาหารแต่โคศกาเทพบุตรมัวแต่นึกถึงกรรมมคุณอื่นๆที่เป็นทิพไม่ได้นึกถึงอาหารอั้นร่างกายก็ค่อยๆมองๆมองๆแล้วก็ตายพอตายปับ๊บทีนี้มาเกิดในกําเดิดที่ชื่อว่าเกิดในขันมันจึงต้องมาไต่เต้าอีกแล้วเห็นไหมมันเติมมาไต่เต้าอีกแล้ว อเกิดในคันนี่ก็ามาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าเราเลยทีนี้เขาเป็นผู้สร้างวัดชื่อโคสิตารามไม่ใช่วัดระังเลยถ้าใครเคยไปประเทศอินเดียยังมีซากอยู่วัดโคสิตารามสร้างด้วยโคสกาเทปปบุตรเป็นผู้ทีน่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเมืองโกสมพีอืมก็ามาอยู่ในกําเนิดที่เกิดในคันนีก แล้วก็ต่ตยเต้ามาอีกอะเตยเต้ามาเรื่อยเรื่อยรื่อย ต, ตายไปก็ไม่ต้องไปหาแล้วนะว่าเกิดที่ไหนไม่ต้องถามด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นในกำเดิดแต่ละกำเดิดเนี่ยมันจึงสับเปลี่ยนกำเดิดได้ฮันในโอปาติกากำเดิดนรกเปรตอสุรกาย ยังมีสัมภเวสียังมีภูมิเทวเทวดานี่มีภูมิเทวดารุกเทวดาโอ้เยอะแ ย, ยะอากาศสัตวเทวดาเราเป็นชั้นชั้นอีกมีจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมปารนิมพรหมอีกสิบกเยอะมากแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยพวกนี้สามารถที่จะเกิดเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติกันได้มีเทวดาตัวหนึง่งตายแล้วกำลังจะไปเกิดตกนรกแต่เพื่อนเนี่ย เพื่อนรู้อนาคตสมมติเราสองคนเป็นเทวดานะนะโยมจะเป็นตัวไหนโยมโยมไม่กล้าเลือกถ้ากล้าเลือกก็เลือกว่าตัวที่ที่จะไปตกนรกก็ไม่กล้าจยแให้หลวงพ่อเลือกก็ไม่กล้า ทเทวตาตัวหนึ่งกำลังจะไปตกนรกแต่มีเพื่อนรักเพื่อนเนี่ยมีภาพจิตเดิมเคยทําสมาธิแล้วสามารถรู้อนาคตของเพื่อนอีกคนว่าถ้าตายแล้วจะไปเกิดในนรกก็เกิดเดือดร้อนแทนเพื่อนไปหาเท้าหาใครถามใครไม่มีใครช่วยได้ก็ไปหาพระหาพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าโอ้เรื่องเหนือวิสัยอํานาจของพระอินทร์ช่วยไม่ได้ทํายังไงพระอินทร์ก็บอกว่าเอางี้ไปที่ บรรทุกคำพลศิลลาอาัดพระพุทธเจ้ามาประทับจำราษาอยู่ในตอนนั้นมันเกิดขึ้นในรรษาที่เจ็พระพุทธเจ้าจำราษาอยู่ที่ดาวดึงพาไปถึงหอพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธเจ้าให้เรียกมาเข้าเฝ้าและพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังด้วยบทคาถาสวดว่าเป็นบทเดียวที่พระพุทธเจ้าสวดและไม่มีเคยสวดในมนุษย์ บทเดียวที่สวดในสวรรค์ชนดาวดึงเพื่อโปรดเทพตนนี้และบทนี้ไม่เคยนำมาสวดกับมนุษย์คนไหนบทนี้ชื่อว่าอะไระเอชื่อว่าอะไรตั้งใจดีๆ ชื่ออุณหิตสวิตชัยคาถาอุณหิตสวิตชัยที่ที่เป็นคาถาเขาสวดกันอยู่ทุกวันเนี้ยอัติอุณหิตสวิตชายโยธรมโบโลเกอนุทโรสปะสตตอีตัทธยะตังตะวังคันหาอีเดวเกอปริวเชรชะชาันเดอมาณุเสอีปาวเกสวดให้จบไม่ได้เพราะสุดจบปั๊บทุกคนจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติ เออเป็นเป็น <c oughs> จริงๆอาจะมาสวดได้นะเพราะถูกบังคับสมัยบวชใหม่ๆนี่หลวงพ่อขาวบอกว่าไอ้บทนี้ต้องท่องไว้นะท่องทำไมพระหลวงไอ้เนี่ยเขาสำหรับต่ออายุ เ, ออเรา ส, เ <c oughs> สำหรับต่ออายุฉะนั้นเวลาแถวภาคใต้ถ้าคนทำบุญต่ออายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจะต้องใช้บทนี้ อธิฐานนิตสวิตชายโอตมโบโลกอานุตรุสปตตาอิตาทายตังตวังกนาอิเดวเกปริวัจเจรชาตันเดอมนุสปวะเกพยักเคนาเควิเซผูเยกาลมรเดนวาสบสมาสรณมุตโตเปตวกาลมาริตังตเวอนุภาวเวนโตุเดวสุกีสดาสุตตะสีลังสมานดยัตมังสุจริตตังจเรตังวอนุภาวเวนโตุเดวสุขีสดาลิกิตัจินติตังปูชังทารนังวชนังกรุง ปเรสังเดสนังสุตาวาตะสะอายุปะวัตตีติเอาเปลี่ยนพบเปลี่ยนจังเอ๋อเอ้า อ, อ, อต่อต่อต่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็สวดคาถาบเนี้ปรากฏว่าทเทวดาตัว น, นี้ตายเหมือนกันแต่ตายแล้วเลื่อนขึ้นสวรรค์ชั้นอื่นไม่ลงไปนรก มันจำไว้หัดต้องตองสวน ๆ, ๆไลนะอธิุณหิตเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าเทศในสวรรค์ชั้นดาวดึงและไม่เคยนำมาเทศกรา้งล่างนี้นะเดี๋ยวจะยาวตัดสะอายุประวัติข้อสุดท้ายแปลว่าให้อายุของผู้นั้นจงจะเริอนจะเริอน ไม่ตองแล้อมีลูกหลานบอกมันหาใน Google เน่ยเยอะแยะหาอากูดีกว่าหาอาจารย์ฮะเอฮะไปถามพระพุทธเจ้าก็เรื่องมันมาอย่างนี้แม่เรื่องมันมาอย่างนี้ เอาแค่เรื่องที่มันมาได้ไหมมันจะได้เดินต่อได้เนี่ยกำลังอธิบายแต่ว่ามันยังไม่ถึงข้อข้อหมดมันมีเรื่องแทรกซ้อนพอเสร็จแล้วพบชาติและกำเนิดต่างๆที่มันสับเปลี่ยนกันอยู่เนี่ย มันสับเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีคําถามมาว่าเมื่อก่อนสัตว์เดรัจฉานมันเยอะบัดนี้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันสูญพันธุ์ไปเยอะมากมันหายไปไหนอย่าบอกว่าตัวเองมาจาก <c oughs> อย่าเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองมาจากเทวดาเนอเพราะ <c oughs> เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันสูญพันเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยงงบางอย่างตอนนี้ในโลกเหลืออยู่สองสามตัวเท่านั้นเองอเข้าใจป่แค่สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวที่มันสูญพันธุ์ไปเนี่ยเพียงพอสําหรับการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันไหม <c oughs> ไม่ต้องนับถึงเทวดาไม่ต้องนับถึงสัตว์นรกโอ้ต้องนับถึงสัตว์นรกนี่อยู่โหอยู่ในโลหะกุมภีนรกอ่ะสิบหยอกว้าง สูงสิบบอยดกว้างสิบบอกยอดน้ําเดือดอยู่ตลอดเวลาสัตว์นรกที่จมลงไปในเนี้ต้มเหมือนเม็ดข้าวสารที่ต้ม อ, อยู่ในหม้อน้ําเดือดแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาตามลําน้ําเดือดตามความเดือดของน้ําในหม้อนานบางทีสิ้นระไมพระพุทธเจ้ายัา ง, งไม่มีโอกาสได้โผล่เลยวันนั้นพระเจ้าป เ, าปเาปสนที่โกศลนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงทุกเดี๋ยวเดี๋ยวไปยาวเดี๋ยวไปยาวไปยพอแล้ว เพราะฉะนั้นสัตว์นรกเยอะมากเรายังไม่ได้นับถึงเทวดาดและสังเกตไอ้พวกรวยรวยดีๆสวยสวยเก่งเก่งมีบารมีมันมีลูกยากมากในสมัยปัจจุบันเพราะอะไรเพราะกรรมนวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสเตวีพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เร็วและปราณีต่างกัน กรรมมันจะจำแนกว่าสาัตว์พวกนี้ตายแล้วจะต้องไปเกิดพ่อเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้พื้นฐานของครอบครัวเป็นอย่างนี้มันจำแนกมาแล้วเออวิชาหมอดูในปัจจุบันที่ดีที่สุดก็คือวิชาที่คอยดักทิศทางการสนองผลของกรรม เ, เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมันจำแนกอย่างนี้บางคนมันโอ้โหมันเลิศเดินั้งขวัยพ่อขวัยแม่มันไอ้วิญญาณที่มันจะมาลงมาเกิดมันเกิดไม่ได้ให้บางที่ที่มันแอบแอบกันนะปุ๊บแขวะสามแขวะสี่ จริงๆเพราะอะไรมันไม่มีที่จะเกิดเอาบางคนมันมีด้วยมันสองโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยลําบากมากในการที่จะมาเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นวิญญาณที่มาเกิดง่ายที่สุดก็คือพวกวิญญาณบาปวิญญาณที่มีคุณสมบัติแย่ๆหน่อยอืมกว่าจะได้เกิดสักทีโอ ไม่รู้จะทำยังไงดีในพวกนู้นจะลงมาปฏิสนที่สักทีก็เจอหน้่ยโยบายควบคุมประชากรโอ้โหเจอนโยบายควบคุมประชากรใช่แล้วพอมาปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเราทั้งหญิงทั้งชายไม่อยากแต่งงานนัแหละเออพอแต่งงานเสร็จก็ไม่อยากมีลูกเออจริงด้วยเกิดขึ้นมาเยอะมากนะ ว่าแต่ผู้ใจแล้วผู้หญิงอ่ะอ้าวตอเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วยากแล้วเดี๋ยวนี้ยากยากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ2500รกว่าปีที่แล้วว่ากิจโชมมนุษย์สปติลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งยากยิ่งยากประเทศเรากำลังเข้าสู่ภาวะของ คนละเมืองชาราโรงเรียนหลายโรงเรียนที่ต่างจังหวัดต้องปิดตัวเองโดยป ร, ริยายเพราะไม่มีเด็กต่อไปในประเทศอื่นเพื่อนบ้านเรามันจะบุกประเทศไทยก็ส่งพวกนี้แหละเนี่ย <c oughs> ถือไม้ธงไม้เท้านี่แหละไปเป็นทหาร <c oughs> เออ มันเกิดยากอืมนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเทวดาที่จ้องจะมาเกิดมันมาเกิดไม่ได้แล้วเทวดาจิตเวดในดาวดึงไอ้วิญญาณที่เป็นเทวดาที่เคยได้โสดาบันอะยิ่งยากใหญ่ยิ่งยากใหญ่ นี่มนุษย์กำลังจะถึงนาทีที่ลดน้อยลงคืนแต่ก็ลดน้อยลงนี่เรากำลังหาวิธีกันว่าจะไปอยู่ดาวอะไรอังคารเอาใครไปอยู่เนี่ยต่อไปอืมฮะอธิษฐานเน่ยอยากเป็นไหนก็อธิฐานอย่างนั้นนะ <c oughs> พระพุทธเจ้า อยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อธิษฐานอยากเป็นพระเจ้ามาทุกปุบ ท, ทุกชาติแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราอยากเป็นอะไรเราก็าาอธิษฐานอย่างนั้นคำอนิพานนะคือนั่นก็เป็นคำอธิษฐานอธิษฐานใช่ <c oughs> อันนั้นก็อยากอนิพานก็ได้ <c oughs> ด้วยบุญที่ก้าพระพเจ้าได้ทาแล้วนี้คงเป็นปัใจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพานในอนาคตการเ <c oughs> บื้องหน้าโนอนถจอ <c oughs> ไม่เดินโน้โนไหนไม่รู้เบื้องหน้าไหน แต่ก็อธิษฐานไว้อธิษฐานไว้เอ่ อ, อเอามีคำถามอีกไหมหรืองานาทีพ่อคะพ่อคะเอ่อสมัยก่อนพระพุทธการนะคะเอ่อไม่ว่าจะเป็นโยคีหรือว่านักบวชเนี่ยสามารถขอเหเดินอากาศได้แล้วพอมาเอ่อพุทธการแบบร้อยทำไมเอ่อการขอเหเดินอากาศได้ไหายไป ก็เพราะว่าการฝึกฝนจิตในส่วนที่เป็นอิทธิฤทธิ์มันหายไปสมัยโน้นมันมีไม่มีการศึกษาอย่างอื่นนะมีแต่การศึกษาเรื่องจิตอย่างเดียวการบาเพ็ญเพียรเพื่อทรมานจิตเนี่ยมันเยอะมากมันจึงเกิดความชนานาญในการใช้จิตความคิดที่มีอำนาจมีกำลังของการใช้จิตแต่ไม่เกี่ยวกับการลากิเลสนะพระพุทธเจ้าไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าพ้นจากทุกข์ได้และยิ่งทาให จมปลักหนักลงไปอีกมันเป็นวิชาการที่ใช้จิตและฝึกฝนจิตมีความเชี่ยวชาญเยอะมากในสมัยนั้นแล้วในปัจจุบันนะ่ะเพราะสมัยก่อนเราจะไปอินเดียเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะไปถึงอินเดียเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เดินทางพวกการใช้ชีวิตไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะคิดยังไงก็อาศัยการฝึกฝนจิตนี่แหละ และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลงานของมนุษย์ในยุคอดีตนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ในปัจจุบันคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในท่ามกลางที่โลเทคโลเทคโนโลยี tech, อืมแต่มาปัจจุบันนี้มนุษย์ก็คิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คดยุค ก, การศึกษาการค้นคว้าการใช้กาลังของจิตมันจึงหายไปยุคนี้เป็นยุค ข, ของซอฟแวร์ยุค ข, ของฮาร์ดแวร์ใช่ไมยุค ข, ของซอฟแวร์ เป็นยุคของอันน่วยความรู้ยุคของเทคโนโลยีมันก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปหายไปแล้วในศาสนาเราในศาสนาเราพระอรหันต์ในอดีตที่เคยได้ปฏิสัมพิทาค่อย ๆ, อยๆหายไปส่วนใหญ่เน้นเหลือสุ ก, กะวิปัสสกสุ ก, กะวิปัสสโกออไม่ใส่ใจในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารและในสมัยพระพุทธเจ้าพระที่มีฤทธิ์ไปอิทธิฤทธิปฏิหารก็ไม่ค่อยแสดงกันหรอก เพราะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีแต่ลทัทธิอื่นนอกเหนืออื่นที่พยายามจะมาแสดงในจำนวนสิบก็เกะซะเก้าจริงซะหนึ่งไอ้จริงที่ว่าร้อยหนึ่งก็เหลือสักสองอย่างเนี้ยแต่ในปัจจุบันเริ่มหวนกลับมาคนเริ่มปรารถนาอิทธิฤทธิปาฏิหาร เพราะว่ามันบันดลนบันดาลแล้วมันรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจถ้าว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยนะมหาลาภภูนทวีรูปร่างมันจะเป็นดูแล้วโหวมันขี้เรมากๆ ก, ก็เอาเขาบอกว่าไอ้นี่พกแล้วทำธุรกิจติดต่อค้าขายได้กำลงกำไร เท่าไร่ก็เอาเอาคนนี้เขาบอกดวงไม่ดีปล่อยตงปล่อยเตาเตาตัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็บอกตัวเดียวไม่พอต้องปล่อยห้าสิบตัวเอาตังค์ที่ไหนต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็เอาเงินดองระบบมาเพื่อมาปล่อยเตาเพื่อตัวเองจะได้เฮงเฮงสุดท้ายต้องหนีเพราะว่าไม่มีตังค์ไปจ่ายหนี้คนเริ่มหันเข้าไปหาเรื่องพวกนี้อีกในยุคปัจจุบัน พระพุทธเจ้าไม่พูดลงพวกนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดเรื่องของอะไรอริยสัตว์หมายความว่ายอย่างไรไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะทำให้กระ บ, บวนการของอริยสัตว์เนี่ยปรากฏผลในจิตของบุคคลได้เท่ากับการจเจริญสติสมาธิและปัญญาเนี่ยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสัจจะ ถามว่าอย่างอื่นเป็นสจัจจะไหมเป็นคนเกิดโดนเพื่อนตบปากมาปากแตกแตกจริงไหมจริ ง, รงแต่ไม่ประเสริฐอ้อใช่ไหมเออของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอริยสัจคือจริงอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดในโลกตั้งแต่ปัจจบันนี้จนถึงอนาคตที่จะมาหักล้างความจริงนี้ได้จึงชื่อว่าอาริยสัจ และของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบจริงๆมันไม่ควรเรียกว่าพุทธศาสนาด้วยซ้าเพื่อให้ไปเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นจริงๆมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่มันก็ต้องเรียกอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันต้องเรียกว่าพุทธศาสนานั่นแหละในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีภัยพุทธศาสนานี่ประกอบหนึ่งศาสดาอะไรศาสนาธรรมศาสนิก ไรกาศาสนวัตถุและเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเป็นาศนาสนสมบัติก็ดูภัยที่เกิดกับพระสัจดาัายที่เกิดกับาศาสนาธรรมัยที่เกิดกับาศาสนานภิธไปที่เกิดกับาศาสนวัตถุไปที่เกิดกับาศาสนสมบัติ <c oughs> ทั้งหมดนี้ห่างออกจากอาริยสัจทั้งนั้นแหละคําอนของพระเจ้าจึงเป็นความจริงอันประเสริฐที่ชื่อว่าอาริยสัจ เหนือเนือจากโดนเหนือจากทุกทุกอย่างแม้ว่าจะไปอะไรนะตอนนี้มัน 4G ใช่ไหมไป 5G 6G กี่ G, G, G, G ก็ช่างสุดท้ายก็ต้องไม่ทุ่ทันของพระพุทธเจ้าทุกไม่ได้มีอีกว่าอีกสองห้าสี่ถามคำถามตา ม, า ม, ามใจตัวกันทั้งนั้นนะ่ะ <laughs> มีไหม เอาละอืมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะอขอให้ทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมในการปฏิบัติในวันนี้ประสบกับสิ่งที่ประเสริฐปรารถนาสิ่งใดๆอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำริด จ, จงสำริด จ, จงสำริดทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ ยะถาวาริวาฮูปราปริปุเรนติสากรังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังกิพะเบวะสัมมชาตุสัพเพปุเรนตุสั่งกะปาจันโทบานารโสยะถามานิโชติราโสยะทัง อาภิวาทนาสีลิสะนิจังุทธาปจา ย, ยิโดจตาโรธรรมาวตันตีอายุวันโดสุขขังพระลังเตงัตองอตะลธาสุกิตาวิรุณหามุตตาสะสดงอโรคาสุกิตาโหทะสงสะเพหียติภิชยสิทธิธนังลาพังโสทีพระกยังสุขขังพลังสิริอายุจาวันโดจะปโขขังวุตถีจายัตสวา สัตววัฏซาจงายู่จักชีวสิทธีพวันตุเตภวตุสัพพังกัลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสโสทีพวันตุเต